ธรรมบทแปลเรื่องที่เ7เรื่องพระติสเีระชาวกรุงโกสัมพีภาคที่สเรื่องที่7ของวักที่7อรหันตวักวรนน า, นาข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบสมเนิของพระติสธีระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสั้นตันตสะมนังโหติเป็นต้นดังได้สะดับมากลุตรชาวกรุงโกสัมพีผู้หนึ่งปวดในพระาศาสนาได้อุปสมบทแล้วปรากฏว่าพระโกสัมพีวาสิติสัเถระเมื่อพระเถระนั้นจำภาษาอยู่ในกรุงโกสัมพี อุปถากนำไตรจีวรเนยใสและน้ำอ้อยมาวางไว้ใกล้เท้าครั้งนั้นพระเถระกล่าวกับอุปถากนั้นว่านี้อะไรอุบาสกอุบาสกกระผมนิมนท์ท่านให้อยู่จำพรรษาไม่ใช่หรือขอรับก็พวกภิกษุผู้จำพรรษาอยู่ในวิหารของพวกกระผมย่อมได้ลาบนี้นิมน์รับเถิดขอรับ พระเถระช่างเกิดอุบาสกความต้องการด้วยวัตถุนี้ของเราไม่มีอุปถาเพราะเหตุอะไรขอรับพระเถระแม้สัพนเพเนนผู้เป็นกัิยาการกในสำนักของเราก็ไม่มีผู้มีอายุอุปถาท่านผู้เจริญถ้ากัิยาการกไม่มีบุตรของกระผมจะเป็นสนัมเนนในสำนักของพระผู้เป็นเจ้า พระเถระรับแล้วอุบาสกนำบุตรของตนผู้มีอายุเจ็ดขวบไปสู่สำนักของพระเถระแล้วได้ถวายว่าขอท่านจงให้เด็กนี้บวชเถิดครั้งนั้นพระเถระชุบผมของเด็กนั้นให้ชุ่มแล้วให้ตาจะปัญจกะกรรมฐานให้บวชแล้วในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเอง กุมานั้นก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาพระเถระครั้นให้กุมานั้นบวชแล้วอยู่ในที่นั้นสิ้นกึ่งเดือนแล้วคิดว่าจาักเฝ้าพระศาสดาจึงให้สมณเณรถือห่อพันธะเดินไปเข้าไปสู่วิหารแห่งหนึ่งในระหว่างทางสมเณรถือเสนาสนะจัดแจงเพื่อพระอุปชาแล้ว เมื่อสามเณร น, นั้นจัดแจงเสนาสนะอยู่เทียวก็หมดเวลาแล้วเพราะเหตุนั้นสามเณรจึงไม่อาจจัดแจงเสนาสนะเพื่อตนได้ครั้งนั้นพระเถ ร, ระถามสามเณร น, นั้นผู้มาในเวลาบำรุงนั่งอยู่แล้วว่าสามเณรเจ้าจัดแจงที่อยู่ของตนแล้วหรือสามเณรกระผมไม่ได้โอกาสเพื่อจัดแจงขอรับ พระเถระกล่าวว่าถากระนั้นจงอยู่ในที่อยู่ของฉันเถิดการอยู่ในที่อาคันตุกะลำบากภาษามณี น, น, นั้นเข้าไปสู่เสนาสนะแล้วก็พระเถระเป็นปุถุชนพอนอนเท่านั้นก็หยั่งลงสู่ความหลับสมณ น, นคิดว่าวันนี้เป็นวันที่สของเราผู้อยู่ในเสนาสนะเดียวกับพระอุปชา ถ้าเราจะนอนหลับพระเถระก็ต้องสห์สยายบัตเราจะนั่งอย่างเดียวอย่างการให้น้อมล่วงไปสมเนธนั่งคูบัลังใกล้เตียงของพระอุปชาเทียวยังราตีให้น้อมล่วงไปแล้วพระเถระลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งคิดว่าควรให้สัมเนธออกจึงจับพัดที่วางอยู่ข้างเตียง เอาปลายใบพัดตีเสือลําแพนของสัมเณีแล้วยกพัดขึ้นเบื้องบนกล่าวว่าสัมเณีจงออกไปข้าง น, นอกใบพัดกระทบตาตาแตกแล้วทันใดนั้นเองสัมณีนั้นกล่าวว่าอะไรขอรับเมื่อพระเถระกล่าวว่าเจ้าจงลุกขึ้นออกไปข้าง น, นอกก็ไม่กล่าวว่า ตาของผมแตกแล้วขอรับปิดตาด้วยมือข้างหนึ่งออกไปแล้วก็แลในเวลาทําวัดสามาเณรไม่นั่งนิ่งด้วยคิดว่าตาของเราแตกแล้วกุมตาด้วยมือข้างหนึ่งถือกําไม้กวาดด้วยมือข้างหนึ่งกวาดเวชกุฎีและที่ล้างหน้าและตั้งน้ําล้างหน้าไว้แล้วกวาดบริเวณ สามเณรนั้นเมื่อถวายไม้ชมระฟันแก่พระอุปชาได้ถวายด้วยมือข้างเดียวครั้งนั้นพระอุปชากล่าวกับสามเณรนั้นว่าสามเณรนี้ไม่ได้สำเนีกหนอะจึงได้เพื่อถวายไม้ชมระฟันแก่อาจารย์และอุปชาด้วยมือเดียวสามเณรผมทราบก็รับว่านั่นไม่เป็นวัดแต่มือข้างหนึ่ง ของผมไม่ว่างพระเถระอะไรสมณีนสมณีนนั้นบอกความเป็นไปนั้นแล้วจำเดิมแต่ต้นพระเถระพอฟังแล้วมีใจสลดกล่าวว่าโอ้กมหนักอันเราทำแล้วกล่าวว่าจงอดโทษแก่ฉันสัตบุุษฉันไม่รู้ข้อนั้นขอจงเป็นที่พึ่งดังนี้แล้ว พระคองอัญเชลีนั่งกระโยคใกล้เท้าของเด็กอายุเจ็ดขวบลำดับนั้นสมณเณรบอกกับพระเถระนั้นว่ากระผมไม่ได้พูดเพื่อต้องการเหตุนี้ขอรับกระผมเมื่อตามรักษาจิตของท่านจึงได้พูดแล้วอย่างนี้ในข้อนี้โทษของท่านไม่มีโทษของผมก็ไม่มีนั่นเป็นโทษของวัตตะเท่านั้นขอท่านอย่าคิดแล้ว อันผมรักษาความเดือดร้อนของท่านอยู่นั่นเทียวจึงไม่บอกแล้วพระเถระแม้อันสมณเนรให้เบาใจอยู่ไม่เบาใจแล้วมีความสลดใจเกิดขึ้นแล้วถือปันธะของสมณเนรไปสู่สำนักของพระศาสดาแล้วแม้พระศาสดาประทับนั่งทอดพระเนตรการมาของพระเถระนั้นเหมือนกันพระเถระนั้นไปถวายบังคมพระศาสดา ทำความบันเทินกับพระาศาสดาแล้วอันพระาศาสดาตรัสถามว่าเธอพออดทนหรือภิกษุความไม่ผาสุกที่รุนแรงอะไรอะไรไม่มีหรือจึงกลับทูลว่าพออดทนพระเจ้าข้าความไม่ผาสุกที่รุนแรงอะไรอะไรของข้าพระองค์ไม่มีก็อีกอย่างหนึ่งแล คนอื่นผู้มีคุณอย่างล้นเหลือเหมือนสนัมเณีเด็กนี้อันข่าพระองค์ไม่เคยเห็นพระศัสดาตรัสถามว่ากทำอะไรอันสนัมมณีนี้ทําแล้วภิกษุพระเถรานั้นกราบทูลความเป็นไปนั้นทั้งหมดตั้งแต่ต้นแด่พระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าพระเจ้าข่าสามมณี น, นี้อันข่าพระองค์ให้อดโทษอยู่อย่างนี้ กล่าวกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าในข้อนี้โทษของท่านไม่มีเลยโทษของผมก็ไม่มีนั่นเป็นโทษของวัตตะเท่านั้นขอท่านอย่าคิดแล้วสัมเนธอย่างข้าพระองค์ให้เบาใจแล้วนั่นเทียวด้วยประการชนี้ไม่ทำความโกรธไม่ทำความประทุษร้ายในข้าพระองค์เลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณเห็นปานนี้อันข้าพระองค์ไม่เคยเห็นลำดับนั้นพระสัสดาตรัสกับเธอว่าภิกษุธรรมดาพระขีนาศบทั้งหลายไม่โกรธไม่ประทุษร้ายต่อใครๆเป็นผู้มีอินทรีย์สงบแล้วเป็นผู้มีใจสงบแล้วเทียวดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนทิแสดงธรรมตรัสพระกาฐานว่า สันตันตัสสะมนังโหติสั้นตาวาจาจะกรรมมะจะสมะดัญญาวิมุตตัสสะอุปาสั้นตัสสะตาดิโนติใจของท่านผู้พ้นวิเศษแล้วพระรู้ชอบผู้สงบประงับคงที่เป็นใจสงบแล้ววาจาก็สงบแล้วการงานก็สงบแก้ ปัญดาบทเหล่านั้นบทว่าสั้นตังความว่าใจของสมณผู้ขี่นาศนั้นชื่อว่าสงบแล้วแท้คือระงับได้แก่ดับเพราะความไม่มีแห่งมโนทุจริตทั้งหลายมีอภิชาเป็นต้นอันหนึ่งวาจาชื่อว่าสงบแล้วเพราะความไม่มีแห่งวจีทุจริตทั้งหลายมีมุสาวาทเป็นต้น และกายกรรมชื่อว่าสงบแล้วนั่นเทียวเพราะความไม่มีเห่งกายทุจริตมีปานาติบาตเป็นต้นบาพระคาถาว่าสมะดัญญาวิมุตตะสระความว่าผู้พลนวิเศษแล้วด้วยวิมุตหเพราะรู้โดยในโดยเหตุบทว่าอุปสันตะสะความว่าชื่อว่าผู้สงบประงับแล้ว เพราะความระงับแห่งกิเลสมีราคาเป็นต้นณภายในบทว่าตาดิโนคือผู้สมบูรณ์ด้วยคุณห็นป่า น, นั้นในเวลาจบเทศนาพระติสัทราชาวกรุงโกสัมพีบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายธรรมเทศนาได้เป็นประโยชน์แม้แก่มหาชนที่เหลือดังนี้แลเรื่องพระติส เถระชาวกรุงโกสัมพี